น้องเท่าน่าฝนตกต้องเห่งก็รั่วใครโชคดีก็เจอที่รั่วนะใครโชคดีก็เจอรั่ว ขยับอยู่ไอตรงที่มันไม่รั่วไม่จะไปจะต้องไปเสียงพื้นหาอะไรก็เรารู้อยู่มันมันรั่วที่มันรั่วมีขยับไปหาที่มันไม่รั่วไม่จะต้องไปมีเสียงดังอะไรก็นั่งภาวนากันอยู่ เป็นเรื่องแปลกอะไรนี่แหละที่องค์พระเจ้าท่าทรงตรัสเรือนที่มุงไม่ดีเรือนที่มุงไม่ดี ฝนย่อมตกรั่วรถเป็นธรรมดาจิตของคนที่สำรวมประมัดประวังไม่ดี<ม>ก็ถูกฝนคือตันหาราคะมันรั่วรถหัวใจอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะแค่ฝนตกนะทุกระยะทุกเวลาแล้วแต่มันจะเกิดตอนไหนอันนี้มันฝนเป็นการเป็นกราว ใจฝนคือราคะตัณหามันรดรัว่วรถหัวใจของเราเนี่ยมันรดทุกระยะทุกเวลาเรือนที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรถฉันใดจิตของบุคคลที่ขาดสติสำรวมระมัดระวังไม่ดีกิลเลสราคะตัณหาย่อมรั่วรถหัวใจทุกระยะทุกวันทุกเวลา เราดูสิแค่เราภาวนาให้จิตสงบมันรั่วไหมล่ะมันรั่วมไหมจิตของใครไม่อยู่ปับเนื่อกับตัวนั่นแหละมันรั่วแล้วอ่ะฝนพิษสงของกามมันรั่วรดหัวใจนึกเรื่องรูปนึกเรื่องเสียงนึกเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสนึกถึงเรื่องราวสรรพัดที่มันจะดึงไปพานึนกพาคิด ธรรมของพระเจ้าเนี่ยเทียบเคียงกันได้หมดเรือนที่มุงไม่ดีฝน่อมรั่วรถอู้ชัดเจนแ ล, แแล้วแต่หล่ะนีนเจอแล้วหละสลาหลังนี้มุงดีอย่แต่เขาไม่ได้ระวังก็ตีลงไปไม้มันแตกไม้มันไม่มียางปะลงไปมันก็แตกปะลงไปมันก็แตก เราก็คิดว่าข้ามงดีตอนข้ามงมเห็นมีอะไรเห็นแน่นหนาตึ๊บลู่ข้างล่างเนี่ยร่างกาก็เอ็นเดีเสด้วยนะเนี่ยเวลาหลังนี้นะร่างกาก็เอ็นเดีเสด้วยนะทาไมมันถึงเอนอ่เพราะมันสูงไม่ได้เราก็พยายามดัดให้มันขึ้นสูงอ่ะมันก็เลยเอนเเห็นเป็นโบด ท, ทรงทางเหนือนั่นะ ลังคาเอนเเป็นบ้านจีนเป็นวิหารจีนนังคาเอ็ น, นมอมุงไม่ดีฝนยอมรั่วรถฉันได้จิตของบุคคลที่ดำรงสติสัมปชัญญะไม่ดี <c oughs> ราคะตัณหายอมรั่วรถหัวใจฉันนั้นแต่อันนี้มันไม่ไม่ไมร้ายแรงเท่าันนั้น อ น, นั้นมันเป็นน้ำหมักเป็นน้ำดองเป็นน้ำสวะดองให้เราติดข้างอยู่ในกา ม, มาสวะภาวาสวะอวิชชาสวะดองเราอยู่ในกามโลกรูปรโลกอรูปโล ก, โลกดองเราอยู่ในโอคะสงสารคือเกิดแ ก, เก่เจ็บตายเกิดแ ก, เก่เจ็บตายเกิดแ ก, เก่เจ็บตายนั่นนะ่ะน้ำนั้นมันดองเราขนาดไหน มันไม่ดองกายใช่ด้วยนะมันดองใจนนทดองใจผนย่อมรถรั่วใจเราดูปที่ิตใจของเรามันรัวมันรั้ ว, วใจไม่สงบใจไม่นิ่งใจไม่มีสติใจไม่มีสัมผชสัญญาแค่ให้อยู่กับคาวา่าพุทโธคาเดียวก็ไม่อยู่อยู่ไม่ได้สงบไม่ได้ตัณหาราคามันรั่วรถ ดูย้อนไปดูที่ใจของตัวเองเราจะเห็นตัญหามันรั่วรุดหรือไม่รุดนั่งสิบนาทีมันรุดเข้าไปกี่นาทีไอ้ที่มันไม่รุดกี่นาทีจิตมันสงบอยู่กี่นาทีอะไรที่มันฟุ้งซ่านไปนกี่นาทีอ๋อวันนี้ฝนฝนตกรั่วถ้าเราจะว่าฝนอ่า เหมือนกับปัญหาราคาก็ถูกก็ใช่ถ้าเราจะว่ยุ่งข้างในก็ใช่สะลาหลังนี้ยุ่งเข้าไม่ได้มีมูร์วดนังภาวนาสบายยุ่งข้างนอกเจาะไม่ได้แต่ยุ่งข้างในแอบเจาะดูให้เห็นไหมยุ่งข้างในมันแอบเจาะนังสบายสบายยุงไม่เจาะ เราเป็นนองเราลองไปนั่งอยู่ข้างนอกบ้างนั่งตรงไหนที่ยุงมันเจาะเราจะเกิดความรู้สึกยังไงเรานั่งอย่างนี้บ้างแล้วนั่งเราไปนั่งที่กติเราบ้างไปนั่งตรงที่เราไม่มีอะไรกัน้นกลางปิดบังบ้างลองให้มันเจาะลองดูมันจะทําให้เกิดความรังคาแก่ใจงดงดหงิด เจ็บทั้งแสบทั้งคันทั้งปัวจะตัวโตๆมันจะมันเจาะนึบเข้าไปโอ้แทงลึกเข้าไปเกินครึ่งเซนนึึบแทงลึกเข้าไปเกินครึ่งเซนระยะนี้ไปเจอยุงแม่มารยุ ง, ย, งยุงมีทองเจาะเข้าไปแล้วเป็นพิษเป็นเดือนก็จะหายคันอยู่นั่นแหละ ทั้งบวมทั้งคันเราในไตทุกปีปีละแผลสองแผลลายทุกปีพิษส่งของยุงของนอกมันก็แค่นั้นแหละแต่พิษส่งของยุงข้างในเนี้ยสีเหมือนกับน้ําข้างในที่มันรั่วรถหัวใจของเรานะี้ยมันดองเราไว้ไว้ในวัฏจัสงสารในโอขะสงสาร แช่เราดองเราอยู่ในกองทุกอยู่ในทะเลทุกอยู่ในกองทุกทุกเกิดทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายเกิดแ ก, เก่เจ็บตายเกิดกเรียกเจ็บตายเป็นสภาวะที่เป็นทุกข์โดยธรรมชาติเกิดแ ก, เก่เจ็บตายแล้วยังไม่พอต้องสแสวงหาธรรมาหากินต้องหาเครื่องนองหม่มต้องหาอาหารต้องหาที่อยู่ อาศัยเก็บใครได้ป่วยต้องหาหยู่หายามารักษามนุษย์สัตว์ต้องอาศัยสิ่ง ท, งที่สิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยเหล่านี้ทุกยากลําลบากหรือไม่ลําบากคนทั้งหลายต้องมีการมีงานงานส่วนตัวงานรับจ้างงานเบางานหนักเราต้องมีงานเพราะถ้าไม่มีงานก็ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีอะไรมาใช้สอยแลเกเปลี่ยนปัจจัยทั้งสี่มีความจําเป็นอาหารจําเป็นหรือไม่จําเป็นอาหารเราดูไปที่อาหารจําเป็นหรือไม่จําเป็นกินเช้าขึ้นมากลางวันขึ้นมาตอนค่าขึ้นมาอาหารจําเป็นหรือไม่จําเป็นสี่ชั่วโมง ท้องแฟบอยู่แล้วสี่ชั่วโมงท้องแฟบอยู่แล้วหาใส่ให้มันนี่แล้วหาพอก็พ อ, อ, อหาไม่พอก็คือหามันพอทุกอย่างลําบากกเดินบนธรรมาระจริงการบางงานถึงต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายต้องลงทุนจะเป็นไะไรจะเป็นชาวนากษตรกรรมจะเป็นพ่อค้าค้าขาย จะเป็นนักธรุร ก, กิจข้าราชการทำอะไรก็ลาวแล้วแตม่มีเพื่อมีค่าตอบแทนทุกอย่างลำบากหรือไม่ลำบากเราอะไรเราต้องใส่ปากใส่ท้องใส่เราแล้วไม่พอดูดีในครอบครัวมีกี่คนมีพ่อมีแม่มีลูกลูกกี่คนมันไม่ใช่เฉพาะ จะมีเฉพาะอาหารที่จะพึงเข้าวปากต้องมีเครื่องนุ่งห่มให้มันต้องมีเครื่องนุ่งห่มให้เขาต้องมีของใช้ที่จำเป็นให้เขาต้องมีบ้านให้เขาอยู่เจ็บใค่ไดป่วยต้องมียาให้เขารักษายากหรือไม่ยากลำบากหรือไม่ลำบากนี่คือของทุกในวัฏจักรสงสาร อยาให้โ ล, กลูกดีสองลูกให้เรียนก็ต้องมีค่าเราเรียนอีกค่าเราเรียนก็เป็นจำนวนจำนวนมากสอบได้แล้วข้าวเรียนได้แล้วเรียนระแล้วแต่บนญ่ลต้องเสียค่าเราเรียนแพงๆไม่มีค่าเราเรียนทุกอีก ทุกไม่มีเงินจะเสียค่าเราเรียนบางทีหนึ่งคนบางทีสองคนบางทีสามคนหากินหาอยู่แล้วไม่พอหาธรหาะเพื่อหารมาเรียนถ้าไม่มีความรู้ธรรม า, ากินลาําบากธรรมากินไม่ทันเขางานการไม่พอจะได้เงินได้ทองมาเลี้ยงมาอยู่ นี่คือกล่องทุกข์เส็จแล้วเราก็พูดมาพูดกันได้ว่าเออมีอยู่มีกินเออร่ำรวยโอ้ทุกอยากลำบากกันดาลโอ้อยากจนก็มาพูดกันตรงทีธามากินไม่คุ้มเป็นอีปเป็นสินมีมูลมรดกมีอะไรก็เอาไปจําแหละจนหมด นี่คือของทุกในการทำมาหากินได้อัตภาพร่างกายมาก็เพราะว่าเรามีใจใจของเราควรจะได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วก็ได้อุบัติมาเป็นมนุษย์ตามบุญตามกรรมของมนุษย์ก็ไม่ใช่จะเท่ากันหมดเท่ากันเฉพาะคําว่ามนุษย์มนุษย์ชั้นเลวศักดิ์ภาวะเป็นมนุษย์ มนุษย์ขั้นดีขึ้นมาหน่อยมนุษย์ขั้นกลางกมนุษย์ขั้นปัญญามีปัญญามนุษย์ขั้นอัจฉริยะมนุษย์มนุษย์ทุศีลมนุษย์ทุศีลบ้างไม่ไม่ทุศีลบ้างมนุษย์ทุศีลอย่างเดียวมนุษย์มีศีลมีธรรมเราดูเถิดคุณสมบัติของมนุษย์ภูมิของมนุษย์มันไม่เท่ากันสร้างมาก็ไม่เท่ากัน มาสร้างเอาใหม่นี่ก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความสุขในหัวใจความทุกข์ในหัวใจมันจึงไม่เท่ากันในความเป็นอยู่ความสุขความทุกข์จึงไม่เท่ากันแต่ความทุกข์โดยสภาวธรรมเท่ากันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีไม่มีคนที่ไม่แก่ไม่มีคนที่ไม่เจ็บ ก่อนตายตตก็ต้องเจ็บต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เป็นสภาวะธรรมเพราะสภาวะธรรมคือรูปธรรมของเราเป็นกองสังขารกองสังขานี้เขาจะไม่คงที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองไปเขาจะมีตัวเองไม่คงที่เขาจะต้องเปลี่ยนตัวเองไปไม่คงที่นันะท่ว่าทุกขังทุกขังเปลี่ยนไปทนว่าอนิจจังเป็นภาวะ มีอยู่ประจำอยู่ที่เขเรียกว่าสามัญทั่วๆไปสามัญยลักษณะลักษณะของสังขารทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นสังขารที่เป็นมีใจครองเช่นอย่างร่างกายของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสังขารที่ไม่มีใจครองต้นไม้ภูเขาเสาสลองสลาเนี่ยหลังคานเนี่ย ม, มีใจครองก็ตามไม่มีใจครองก็ตาม เขาจะมีสามัญจลักษณะเหมือนกันหมดอมืคือไม่ของที่และถ้าเปลี่ยนไปเป็นสภาวะที่มีอยู่ประจำโลกไม่มีใครจะไปดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นไปได้ไม่มีใครคิดกระเกณฑ์ยังไงให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองได้พระเจ้ทาท่านจึงทรงตรัสว่าอนัตตาอนัตตาอันนี้เป็นหลักธรรมชาติที่เรา ประสบด้วยรู ป, ปรธรรมนามธรรมคือใจของเราก็เช่นเดียวกันมีหลักสภาวะธรรมนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบงาทั้งนั้นเพราะหลักสภาวะธรรมเหล่านี้คือกองสังขารรูปก็คือกองสังขารรูปนามก็คือกองสังขารนามคําว่าสังขารก็คือสิ่งที่มีส่วนประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปที่เรียกว่าสังขาร ขึ้นชื่อว่าสองสิ่งไปประกอบกันแล้วตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปสังขารเหล่านั้นย่อมมีสภาวะอนิจจังทุกขังนัก ต, ตาไม่เที่ยงไม่คงทนแล้วก็เปลี่ยนไปเราดูไปสภาพของสังขารรอบข้างตัวเรารวมทั้งนับตั้งแต่รูปของเรานับตั้งแต่นามของเราจิตใจของเรามีสังขารประกอบจิตของเราคือธาตรู้ แต่ธาตุรู้ของเรามันประกอบไปด้วยกิเลสนั่นคือกองสังขารที่เป็นส่วนรูปโดยเหตุที่เรามีสังขารกองส่วนรูปนี้เองจึงเป็นเหตุให้เราทํากรรมแล้วกลายเป็นวิบากเป็นกิเลสให้เราทํากรรมแล้วก็กลายเป็นวิบากกิเลสให้เราทำกรรมแล้วกลายเป็นวิบากเป็นวัตฏวุลอยู่อย่างนี้ไม่จบ มาพันมาพันมาเกี่ยวข้องกับวัฏสงสารเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวัตตะวันเกิดแก่เจ็บตายก็อันเดียวกันวัตตะวันกเกิดแก่เจ็บตายอันเดียวกันเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เคเกิดเป็นยังไงก็เกิดแต่ย่างนั้นเคยเกิดเป็นยังไงก็เกิดตามบุญตามกรรมนี่นะดับจากอัตภาพนี้ไปแล้วไปเกิดใหม่ก็ไปตามบุญตามกรรมไม่เท่ากันถ้าทำบุญทำกรรมเที่ยงมั่นคง มีคุณสมบัติเ พ, พิ่มโพลทวีคูลขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีขึ้นเลยมนุษย์ไปก็เป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้น น, นั้นได้เจริญสมณธรรมให้จิตได้รับความสงบเป็นชั้นอินชั้นพรหมลึกละเอียดเข้าไปพบาภูมิพราะภูมิของเรา<ม>ก็เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของจิตของเราอยู่อย่างนี้นี่ความเป็นไปของสังขารมันไม่คงที่อยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นท่านชี้ให้ตัดกิเลสตัดกิเลสก็คือตัดวัตตวันไม่ให้มันวนไม่ให้มันจบกันไม่ให้มันเกิดแก่เจ็บตายตัดวัตต์ตัดกบตัดวัตตวันก็คือตัดวัตตะสงสารอันเดียวกันวัตตะสงสารหรือสังสารวัฏมันก็อันเดียวกันสังสารวัฏก็คือเท่าเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตาย สังสาระเรียกว่าการท่องเที่ยวเที่ยวเกิดเที่ยวตายเที่ยวเกิดเที่ยวตายสังสารัะกิเลสพาเราเกิดกิเลสพาเราตายกิเลสพาเราทำกรรมทำลงไปแล้วกลายเป็นอิบาตก็เป็นผลผลของมันเป็นผลผลของมันพบชาติมันก็มีอยู่อย่างนั้นพบชาติพบภูมิของชาติก็เปลี่ยนไปตามกรรมนั้นๆดีเราก็ทำไม่ดีเราก็ทำ ทำกรรมไม่ดีมากๆไม่ได้มัเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นสัตว์ไปเป็นเปรตไปเป็นสุรกายทำดีมากๆเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาชั้นต่างๆขึ้นไปโดยลาดับภพชาติเปลี่ยนไปผู้รู้ธาตุรู้เปลี่ยนไปผู้รู้ไปหาจับจองใหม่ดับที่ใบชนจุติไปแล้วไปหาจับจองใหม่ ไปด้วยพลังของอะไรไปด้วยพลังของกรร ม, มกรรยายกรรมวจีกรร ม, มโนกรรมที่เรากระทําอยู่เ<ม>นืองๆอาจินนี่แหละอย่ามองข้ามสิ่งเานี้เป็นพลังสะสมเพราะฉะนั้นจึงให้สะสมกุศลกรรมให้มากอย่าไปกะสะสมอกุศลกรรมให้มากต้องเก็บต้องหลับไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมามไม่พูดเท็จพูดยาพูดสเสีย ไม่ดื่มสุราไม่ไรแค่เรารักษาศินห้าได้เราก็มีความสุขในปัจจุบันในความเป็นอยู่อันนี้ส่งของการรักษาศินก็ส่งผลให้เรามีความสุขเป็นวิบากในภพครั้งหน้าสี่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับจิตของเราของท่านเด้วยกันทุกคนสังสารวัตรมีการผูกพันกับจิตของเราของท่านด้วยกันทุกคนสังสารวัตร กับกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็อันเดียวกันความสุขความทุกข์การเดียวกันบาบุญก็อันเดียวกันดีชั่วก็อันเดียวกั น, ก น, เ, กนเป็นพฤติกรรมของจิตดวงเดียวนั่นแหละอนอกจากจะเรียกไปเป็นอาการเป็นกิริยาบามช่วงบางโอกาสบางเวลาเท่านั้นการที่เราตั้งใจฝึกจิตของเราให้ได้รับความสงบ มันก็เป็นการตัดกระแสของวัตวุน์ตัดกระแสของกิเลสวัตวุน์เริ่มต้นคือกิเลสกิเลสเป็นเหตุให้เราทํากรรมกรรมลกลายเป็นวิบากกลายเป็นวิบากวิบากไม่ทําให้กิเลสวิบากถ้าวิบากมากก็เป็นเหตุหนุนกิเลส วิบาก ค, คือผลของกิเลสนะ น, นะมันหนุนกิเลสให้แรงขึ้นวิบาก ค, คือผลของกิเลสมันก็นหนุนกิเลสให้แรงขึ้นตัวจะ ต, ตัวกิเลสก็คือตัวกิริยาการของจิตที่มันแสดงกิริยามาเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องชังเรื่องโกรธเรื่องเกลียดมันทําพฤติกรรมของจิตของรา้ายแตกต่างผลของกรรมที่เราก็ทําก็แตกต่าง วิบากรรมก็เพิ่มไปแตกต่างนี่วัตถนมันพันเราอยู่อย่างนี้ท่านจึงให้เราตัดกิเลสเราตัดกิเลสตัดกิเลสคือตัดอะไรคือตัดความรักตัดความชังความโกรธความเกลียดตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลง เราทําจิตให้ได้รับความสงบนีิเราตัด ก, กระแสของกิเลสไม่ให้มันมาวุ่นอยู่ในหัวใจของเราถ้าเราไม่ตัดมันก็มาวุ่นอยู่ในเจ้านึกเรื่องรักบ้างนึกเรื่องชังบ้างนึกเรื่องอิจฉาทิษยาพยาบาทบ้างนั่งนึกวุ่นอยู่นั่นแหละนึกไปในเรื่องไม่ดีก็เป็นการเสริมกิเลสนึกไปในเรื่องดีก็เป็นเรื่องกุศลนึกไปในเรื่องไม่ดีก็เป็นอักกุศลเป็นเรื่องของกิเลส ก็เพิ่มพูนทวีคูณกิเลสอยู่อย่างนั้นแหละฝ่ายธรรมะก็เพิ่มพูนฝ่ายธรรมะอยู่นั้นแหละถ้าหากเราตั้งใจปฏิบัติเราก็ฝ่าฝืนเราต่อสู้กันพยายามดึงจิตของเราให้เป็นกุศลให้เป็นมหากุศลเราก็ขยเยื่อกันอยู่อย่างนี้เราก็ต้องต่อสู้กันอยู่อย่างนี้พิษสงหเหล่านี้เกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากจิต ข, ข, ข, ข, ของเราที่มันไม่ฉลาดเนื่องจากจิตเราไม่ฉลาดจึงเป็นเหตุให้เรามี สิ่งเคลือบแฝงมาด้วยเป็นกิเลสเป็นธาตุดิบเป็นธาตุที่ไม่ถูกชะล้างให้สะอาดให้บริสุทธิ์เราจาเป็นจะต้องมาชะมาล้างมาเจีย ร, นยรไนพระพุทธเจ้าท่านเป็นบรมครูที่พาพวกเราเจียรไนเกี่ยรไนด้วยสิ่งเกียรไนเริ่มไปตั้งแต่ทานนี่แหละหัดจิตฝึกจิตให้รู้จักให้ทานให้รู้จักรักษาสิล พอขึ้นมาถึงขัน้นศีลมันเป็นการมางดมาเว้นแล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รบพิษในกรรมแน่มันเป็นการมาระงับพฤติกรรมที่เราเคยแสดงออกง่ายๆไม่พูดเท็จพูดย า, พ, ดยาพูดสเสียดไม่ดื่มสุรามีอะไรระงับที่กายมาระงับที่วายจาริเลศหยาบหยาบไม่เอาสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับ ครื่องแสดงออกด้วยเพิ่มภูนที่มีภูมเกี่ยวกับกิเลสจากนั้นแล้วท่านให้ภาวนาระ ง, งับเข้าไปพุทโธหุดโถหุดโธมันเรื่องอะไรเรื่องชางเรื่องโกรธเรื่องเครียดปิดสงบระ ง, งับสิ่งเหล่านั้นให้อยู่เอาสติเอาสัมผัสชั้นแยกมากำกับมาปกมาป้องมากั้นให้อยู่ถ้าเรากั้นไม่อยู่ก็เหมือนเราโมเรือนไม่ดีฝนรดรั่ว รามุงดีแล้วฝนตกมาตราไหร่มันก็ไม่รั่วเหมือนกับกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันจอนทับถมบริเวณรอบกายของเราเนี่ยแหละเหมือนกับรามุงเรือนของเรามันดีมันรั่วจิตของเราก็ดึงดูดดออกไปแล้วเป็นึกไปคิดไปพรุ่งแต่ถ้าเรามีสติดีมีสัมปชัญญะดีก็เหมือนกับลังคาที่มันไม่รั่วมันจะหมุนอยู่รอบข้างตัวเราอยู่ท่ามกลาง กองตันหาราคาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันก็ไม่สามารถจะซึมเข้าสู่หัยใจได้เหมือนเรือนที่มูงีเอาสติมุงเอาสัมาชัญยะมุงเอาสมาธิมุงเอาปัญญามุงมุงจิตมุงใจของเราไม่เคลยมทั่วรทอ ฝึกฝนอบรมจนได้เป็นจริตเป็นนิสัยเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียวที่จะพาเราอยู่ดีที่จะพาเราไปดีสิ่งนี้สิ่งเดียวถ้าเราไม่ฝึกจะทําให้เราอยู่ไม่ดีและจะทําให้เราไปไม่ดีสิ่งนี้สิ่งเดียวที่จะทําให้เรามีปัญญาจะทําให้เราอัปจนปัญญาจะทําให้เรามีความสุข แล้วก็จะทำให้เรามีความทุกข์ ผ, น, ผนกันไปจิตงงเดียวนี่แหละดูมาที่พฤติกรรมของจิตชำระขัดกลาชะล้างกันที่จิตอ่าวันนี้พอสมควรแค่นี้อ่าวันนี้พอสมควรแค่นี้พวนหยุดแล้ว หลับไปภาวนาต่อ